ทุกเนี่ยแทบไม่มีเลยกิเลส ก, ก็แทบไม่โฟลเลยนึกว่าดีนึกว่าดีที่แทบไปติดความนิ่งความว่างเราทำผิดแล้วจิตเราไม่เข้าม า, มาที่ฐานเนี่ยใช้การสังเกตเอาหรือบางทีภาวนาสมัยหัดภาวนาก็ดิ้นรนเหมือนพวกเราแหละก็คิดว่าทำยังไงจะปฏิบัติถูกทำยไงจะปฏิบัติ ด, ดีกว่านี้ทำางไงจะบรรลุมรกคผลนิพพานกยวเขาบ้างนี้ ก็อยากเป็นอยากได้อยากมีนะตามครูบาอาจารย์มาหัดภาวนาหลวงปู่ดูลสอนนะเรื่องการนิพพานนิพพานไม่ยึดในรูปธปรรมนามธรรมไม่ยึดทั้งรูปทั้งนามเราลองมาฝึกไม่ยึดอเงี้ยคิดอย่างนี้ก็มานั่งสมาธิจิดมันเคลื่อนไปเคลื่อนไปหาอารมณ์ถ้าปกติ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 ธรรมชาติรู้อยู่อันหนึ่งสบายโล่งว่างไม่มีเวลาไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยแล้วโอ้นิพพานถ้าจะเป็นอย่างนี้นะต่อยออกมานิพพานน่าจะเป็นอย่างนี้แหละถ้าฝึกตรงนี้มากๆคงจะนิพพานนี่ฝึกไปฝึกไปนะก็เกิดเฉลียวใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกต้องรู้กายรู้ใจใเราไม่ได้รู้กายรู้ใจเลยเราไปฝึกอะไรอย่างหนึ่งไปฝึกจิตให้มันไปนิ่งอยู่ตรงกลาง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 ในพระพุทธเจ้าไปถามครูบาอาจารย์ถามหลวงปู่เทศหลวงปู่ผมภาวนาะแบบนี้แบบนี้นะผมว่ามันเป็นสมาธินะหลวงปู่เทศแลบอกมันเป็นสมาธินะแต่ว่าไปไปเล่นนะไปฝึกไปซ้อมไม่ให้ชํานาญสมาธิแบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีคนเล่นหาคนเล่นยากให้ไปเล่นต่อในะว่างนี้หลวงพ่อก็เรียนท่านแนละ้วบอกว่าผมกลัวติด ท่านบอกถ้าติดนะมาหาอาตมาจะแก้ให้ท่านพูดอย่างนี้นะเราก็เล่นอีกนะเล่นหนิวด้วยวันหนึ่งไปเจอท่านอาจารย์บุญจันทร์วัดถรำผาพึ่งท่านมาวัดสันติธรรมที่เชียงใหม่ท่านให้พระมาเรียกหลวงพ่อไปท่านก็ซักว่าภาวนานอย่างไ็ไปเล่าให้ท่านฟังเนี่ยนะเคลื่อนไปแล้วก็ถอยมาเคลื่อนไปถอยมาแล้วก็หยุดลงตรงกลางท่านดูอ่อน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 วางข้างหน้าท่านทําให้รู้ไม่ชี้นะท่านถามอะไรวิทยุอะไรนะึกบอกเทปครับเทปอัดเสียงมันอัดได้ด้วยเหรอมันอัดยังไงอนะไรอย่างเงี้ยนท่านถามรต่ท่านไม่ว่าเลยรีบถามธรรมะท่านเลยนะอัดมาได้ด้วยประสบความสําเร็จมากเลยเทปหันนี้สําคัญมากเลยใครๆก็อยากฟังนะแล้วเขาก็เลยอยากได้หายไปแล้วยินฟัง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 สมุทัยคืออะไรสมุทัยคือตันหาคือความอยากคือจิตที่มันหิวโหวยหน้าที่ต่อสมุทัยคือการละเนี่ยต้องค่อยๆเรียนแล้วต้องรู้ลงไปจนถึงขนาดที่ว่าเมื่อไหรรู้ทุกข์เมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อกี้ตอนที่หลวงพ่อมานะได้ยินหลวงปู่เหรียนเทศเรื่องนี้ก็นมาพอดีเลยเขาปิดไปพอดีเลยเราก็ลังฟังด้วยความชื่นใจว่าพอดีเขาปิดไปจับฉลากแล้วกันท่านสอนเลยรู้ทุกข์การละ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 อีกวันหนึ่งน้อมจิตให้ว่างเราบอกวันนี้อยู่กับนิโรธอันนี้ไม่ใช่การเจริญธรรมะในอริยสัจไม่ได้การทํากิจในอริยสัจละมั่วละทุกข์ก็อยู่วันหนึ่งสมูทัยอยู่วันหนึ่งนิโรธอยู่วันหนึ่งมรรคอยู่อีกวันหนึ่งอย่างนี้ใช้ไม่ได้หรอกการปฏิบัติจริงๆแล้วเราต้องเรียนนะธรรมะสำคัญสำคัญอย่างเรื่องอริยสัจต้องเรียนเรื่องไตรลักษณ์ต้องเรียนเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยต้องเรียน เนี่ยธรรมะหลักๆมีไม่กี่เรื่องหรอกพยายามเรียนไว้เรื่องอายตนะตาหูจมูกนิ้นกายใจอะไรพวกนี้เรื่องขันท่าควรจะเรียนไว้ในเรื่องหลักๆมีไม่มากนะนี่ถ้าเราเรียนเราเข้าใจตัวเนี้การปฏิบัติเรามันจะมีทิศทางไม่สเปสป่าหรอกไม่อย่างเราภานาแล้วสเปสป่าส่วนใหญ่นะภาวนานะก็ไปติดสองฝั่ง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 แต่เร้างหมองเพราะกิเลส ท, ที่จรมาเพราะงั้นเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยมันประภัฒสอนมันดีมันบริสุทธิ์อยู่แล้วศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องทําเนี่ยมิจฉาทิฏฐิตัวจริงเลยคําว่าประภัฒสอนแปลว่าผ่องใสไม่ใช่แปลว่าบริสุทธิ์อย่างน้ําใสเนี่ยไม่ใช่น้ําบริสุทธิ์จะเห็นน้ําใสๆกินเข้าไปอะฮีวากีเนลนะดั้นจิตที่ประภัฒสอนจิตที่ผ่องใสธรรมชาติของจิตเนี่ยถ้าไม่ไปยุ่งกับมันนะไม่ไปกวนน้าให้ขุ่นตะกอนมันอยู่ที่เหมือนอยู่ก้อนโอค์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 อย่างละเอียดคือความโง่วความเขลาเนี่ยสู้ด้วยปัญญานะอย่างของหยาบเนี่ยเช่นยังเห็นมีเศษผงอะไรลอยอยู่ในน้ำนะอย่างละเอียดก็เหมือนน้าที่ยังมีกลิ่นเจืออยู่อย่างนี้มีกลิ่นอะไรแปลก ๆ, ๆยังไม่บริสุทธิ์ต้องค่อยๆแก้ค่อยๆพัฒนาไม่ใช่อยู่ๆก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะจิต ด, ดีอยู่แล้วจิต ด, ดีอยู่แล้วอย่างนี้มิจฉาทิจินี่สิ่งเหล่านี้นะเราต้องเรียนให้รู้นะ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 ดูจิตมันมีหลายขั้นหลายตอนดูจิตให้เกิดสมาธินี่ขั้นหนึ่งดูจิตให้เกิดปัญญานี่เป็นอีกแบบหนึ่งในขั้นของการทํำสมาธินี่จะชอบดูจิตหรือไม่ไม่ชอบดูจิตก็ตามต้องดูจิตการจะฝึกจิตให้ตั้งมั่นเนี่ยต้องรู้ทันจิตวิธีที่จะฝึกจิตให้ตั้งมั่นเขาเรียกว่าจิตศิกขาเรียนเรื่องจิตอันนี้ทุกคนต้องเรียนถ้าไม่เรียนเรื่องจิตซะก่อนนะเราจะไม่มีจิตที่มีคุณภาพ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 เลขหนึ่งแล้วมีเลขศวนยั้งร้อยห้าสิบตัวไม่ใช่น้อยนะแล้วก็หนึ่งเนี่ยไม่ใช่อะไรหนึ่งเนี่ยคือจักรวาลเกิดขึ้นจนจักรวาลแตกไปเนี่ยหนึ่งหนึ่งกลับหนึ่งมหากลับแตกอย่างนี้นะนับไม่ท้วนเลยเยอะเลยเพราะฉะนั้นใช้เวลาลองผิดลองถูกเนี่ยนานมากเลยนะพระโพธิสัตว์ในท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะเนี่ยยาวนานพระพุทธเจ้าเราเร็วนะ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 อันนี้หายากนะพวกเราเวลาหัดกรรมฐานกันนะเบื้องต้นไปนั่งสมาธิมันจะตกไปสู่สมาธิชนิดแรกเกือบทั้งหมดเลยนะยิ่งมา30มปีก่อนนะหาคนนั่งสมาธิแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสักคนหนึ่งเนียยังหายากเลยนะไม่ได้หลวงพ่อพูดเองนะครูบาอาจารย์ออกปากเลยหลวงพ่อสอนเพื่อนไปกลุ่มหนึง1ิคนนะสิดคนอะไรเงี้ยนั่งรถตู้ไปหาท่านนะจิตตื่นขึ้นมาเนีย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 แต่ถ้าเป็นหลวงพ่อนะบอกถ้าเห็นปากก็รู้ว่าลูกศิษย์ใครบางคนแล้วไปถึงอ็ตีเข้าไปทุกสำนักเลยนะอย่างนี้รบกับลูกศิษย์หลวงพ่อประมุขนะเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้ครูบาอาจารย์นะถ้าเราพอนานะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเข้าไปเนะี่ยครูบาอาจารย์ท่านเห็นนะท่านก็นชื่นอกชื่นใจเออตีอะไรเงี้ยเนี่ยเราต้องมาฝึกนะให้ใจเร า, าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน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 วิธีที่เราจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเราก็ทํากรรมฐานเหมือนเดิมแต่เรารู้ทันจิตแต่เดิมเราพุโทโธให้จิตสงบอยู่กับพุโทโธหายใจให้จิตสงบอยู่กับลมหายใจดูท้องพองยกให้จิตไปอยู่ที่ท้องสงบอยู่ที่ท้องเดินจงกรมให้จิตสงบอยู่ที่เทาา้าเมื่อก่อนเราทําสมาธิกันแบบนี้เดี๋ยวนี้เอาใหม่เราพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตไปเพ่งเจอกระทั่งจิตนั้นิ่งนิ่งอยู่เรารู้ทัน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 แต่คิดแล้วจิตเคลื่อนไปนะจิตเกิดอะไรขึ้นแล้วคอยรู้ทันแล้วก็จะเห็ น, นพารู้ทันว่าจิตเคลื่อ น, นจิตจะตั้งมั่นหรือหลวงพ่อเทียนสอนให้ขยับมือนั้นบอกขย่าวธาตรู้ปลุกความรู้สึกตัวขึ้นมานะท่านสอนเมื่อไหร่รู้ว่าจิตคิดเมื่อ น, นั้นจะได้ต้นทางการปฏิบัติต้นทางการปฏิบัติก็คือจิตที่ตั้งมั่นนั่นเองนะงั้นเราก็ต้องมาฝึกนะครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองพูดด้วยสำนวนที่แตกต่างกันนะถ้าครูบาอาจารย์รุ่นก่อนได้จะบอกว่ามีผู้รู้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 เราถนัดจะรู้จิตตสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วเช่นคนไหนขี้โมโหเราเห็นความโกรธเกิดบ่อยคนไหนขี้รอภเห็นความรอบเกิดบ่อยนี่เรียกว่าดูจิตอันนี้เป็นจิตตานุปัสสนานะอันนี้ดูจิตต่อเดิมเราดูจิตแล้วได้สมาธิขึ้นมาพอได้สมาธิแล้วเนี่ยบางคนไปดูกายบางคนไปดูเวทนาบางคนมาดูจิตตสังขารบางคนดูรูปนามทางานวควบกันไปนะ ว่าแต่ละตัวแต่ละตัวมีกระบวนการอย่างนิวรณ์เกิดจากอะไรนะโพธิชงเกิดได้ยังไงนะะสปติจจะสมวาติทำงานยังไงอันนี้ท่านจะเห็นกระบวนการทางานให้เป็นธรรมานุปัสนาแต่ก็ต้องมีจิตที่เป็นคนดูอยู่นั่นเองงั้นการที่เราจะมาฝึกจนเรามีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยเราถึงจะเจริญปัญญาได้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 พวกหนึ่งไปคิดเอาพวกหนึ่งไปเพ่งเอานะเพราะจิตที่ไม่มีคุณภาพมันจะหลงไปสุดโต่งสองข้างนั้นจิตที่เป็นทางสายกลางคือจิตที่มันเป็นผู้รู้ผู้ดูนั่นเองนะงั้นถ้าไปจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแลเราก็มาดูดตัวเองเมื่อเราเหมาะที่จะเจริญปัญญาด้วยกรรมฐานชนิดใดนะถ้าเราเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนะี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเรานะคือกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนา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 มันดัดนิสัยล้างกิเลสกันซึ่งซึ่งหน้าเลยนะแบบหักหานกับกิเลสเลยนี่คนไหนมีจริตนิสัยช่างคิดชอบคิดมากเรียกพวกที่ถีจริตเจ้าวความคิดเจ้าวความเห็นเกิดอะไรขึ้นต้องมีความเห็นทุกเรื่องเลยใครเขาพูดอะไรฉันมีความเห็นทุกเรื่องเลยนะทั้งทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวก็มีมีแล้วอดพูดไม่ได้นะอย่างนี้ตีกันเลยนะบางคนก็ไม่พูดแต่ว่าออกความเห็นตลอดเวลาใครเป็นแบบนี้บ้างได้ยินเรื่องอะไรก็ออกความเห็นอยู่ในใจนะ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 เพราะอาจารย์ของเราทําอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกต้องนะอย่างหลวงพ่อเจริญกัญญาด้วยการดูจิตไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อพระโมทต้องดูจิตทุกคนหลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์ที่ดูกายทาไมหลวงพ่อไม่ไปดูกายอย่างท่านแล้วทําไมท่านไม่บอกว่าหลวงพ่อดูผิดนักูดเหรียญเนี่ยก็เรียนกับท่านนะไม่เคยพูดเลยว่าหลวงพ่อดูผิดจันะจมหาบัวกขาไม่เคยว่าเลยนะทังท่าน ท, ที่ท่านผ่านมาด้วยการดูกายเข้าไปหาแต่ละองค์เนี่ยสอนต่อยอดเรื่องดูจิตให้ทั้งนั้นเลย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 แต่เดิมมีมากเดี๋ยวนี้มีน้อยอะไรอย่างเงี้นะคิดเอาอย่างเงี้ยนะไม่ใช่วิปัสสนานะแต่มันมันขมราคะเท่านั้นเองเป็นกายป็กายคตาสติเป็นเรื่องของสมถะกรรมฐานหรือดู ก, กระดูกนะกระดูกรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้คงไม่ถึงขนาดมีรสอย่างนี้เนาะกระดูกตัวเองเรายังไม่เคยรู้รสเนี่ยนะเนี่ยแต่มาดูอย่างนี้คิดเอาจิตหลุดไปข้างสุดตรงข้างคิดไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐาน หรือสุดตรงไปข้างเพ่งพอรู้ลมหายใจก็จิตเป็นนิ่งอยู่ที่ลมหายใจใช่ไหมไอ้ น, นี้ไม่ถูกล้ไม่เดินปัญญาหรอกดูท้องพองยุบจิตไปอยู่ที่ท้องเนะี่ยจิตไม่เดินปัญญาไปเดินจงกรมจิตไปอยู่ที่เท้าล้ไม่เดินปัญญางั้นไม่จะสุดตรงไปสองข้างนะไม่คิดเอาก็ไปเพ่งเงาเพีงยงกายก็ได้เพ่งใจก็ได้เนี่ยสิ่งที่สุดตรงสองงานที่ไม่กวนซ่องเสพเลยนะผู้ปฏิบัติไม่กลัวเนาสิ่งที่จะต้องฝึกให้ได้นะก็คือจิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมา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 ดูรูปลงไปเดยเห็นเลยร่างกายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆรูปนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะอันนี้ราคาขาดเลยนะแล้าไม่มาอีกแล้วหรือดูจิตดูใจไปเห็นเลยถ้าจิตออกไปยึดอารมณ์ทางตาจิตก็ทุกข์จิตไปยึดอารมณ์ทางหูจิตก็ทุกข์นะคือยึดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายจิตเคลื่อนออกไปเมื่อไหร่จิตทุกข์เมื่อนั้นจิตเท่าไหรตั้งมั่นไม่ยึดเลยนะอย่างนี้ก็ได้ก็ล้างเหมือนกันแต่อันนี้เป็นการล้างของพวกที่ดูจิตนะ จะเห็นว่าถ้าเข้าไปยึดกายเราจะทุกข์จิตนั้นไม่เข้าไปยึดกายนะเห็นกายไม่ใช่ของดีเลยเพรเข้าไปจับทีไรเดือดร้อนทุกทนะีเหมือนไปจับฐานไฟแดงๆขึ้นมาเลยเนะี่ยถ้าดูจิตนะมันจะเวลามันจะผ่านกายมันจะเห็นในกายนี่เป็นก้อนทุกข์นะจิตเข้าไปจับนะเหมือนเอามือไปจับฐานไฟแดงๆเลยนี้หลุดเลยก็ไม่จับอีกล้นะถ้าดูมาทางกายก ja. ็จะเห็นในกายนี่หาสาระแก่นสารไม่ได้กายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็ปล่อยวางกายนั้นปล่อยวางกาย ด้วยกันได้ทั้งหมดเลยนะสติปัฏฐานสี่เนี่ยไม่ใช่เป็นสีขั้นตอนนะแต่ว่าขั้นด้านใดด้านหนึ่งนะทำกายเนี่ยก็ถึงที่สุดได้ผ่านได้ทุกขั้นดูจิตก็ผ่านได้ทุกขั้นนี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะแต่จะไม่เหมือนที่คุยคุยที่เล่าๆล่ากันรุ่นหลังนะรุ่นหลังหลังชอบสอนบอเบื้องต้นต้องดูกายเบื้องปลายไปดูจิตอะไรยเงี้ย มันก็ถูกของท่านเหมือนกันเรื้องต้นมาแจ้งกายนะแต่จะแจ้งกายโดยใช้กายเป็นฐานก็ได้ใช้เวทนาเป็นฐานก็ได้ใช้จิตเป็นฐานก็ได้ใช้ธรรมเป็นฐานก็ไดนะ้แต่มันจะแจ้งกายก่อนก็ถูกของท่านนะท่านไม่ได้สอนผิดหรอกแต่ว่าการที่จะมาแจ้งในกายจะ เ, เห็นว่ากายไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนั้นตไม่ใช่มาได้ทางเดียวนะมาได้4ทางรัสติประฐาน4เนี่ยเหมือนประตูเมืองสด้านเข้าด้านไหนก็ได้ทั้งสิ้นเลยเข้าแล้วก็เข้าถึงเมืองเหมือนกันเข้าถึงพระนิพพานเหมือนกัน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 ท่านสอนข้ามเลยข้ามมาที่จิตเลยก็มีอย่างหลวงปู่ดุลก็ทั้งตัวหลวงปู่ดุลเองนะขั้นแรกเลยที่หลวงปู่มั่นเจอหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดูลไปเจอหลวงปู่มั่นที่อุบลหลวงปู่มั่นก็สอนพุทโธพิ่นักายนั่นแหละท่านพุทโธพิ่นักายนั้นเข้าใจธรรมะเบื้องต้นเท่านั้นนะมหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนดูจิตเลยการดูจิตที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดุลก็คือให้รู้ทันความไม่เที่ยง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 นะดูเจ็ดวันเราเป็นพระอราหันต์แจ้งอริยฐัออย่างนี้นะก็หลวงพ่อก็ดีใจด้วยหลวงพ่อทำไม่ได้หรอกกระตอะกระแตะมาเรื่อยแหละนะไม่เก่งอย่างพวกเรารุ่นหลังนอกแก่ ง, งเก่ ง, กงพูดธรรมะได้ชอดๆเลยเราพอวนาแล้วอนะโอ้ยพูดไม่ออกหรอกนะแต่ก่อนนะมาพูดเป็นทีหลังหรอกสังเกตนะค่อยๆศึกษาไปศึกษาไปวันหนึ่งก็เข้าใจ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 บางทีพ่อแม่ก็นำความทุกข์มาให้แต่พระพุทธเจ้ า, าไม่เป็นพระเจ้าเนีชี้ทางปลอดโปลงสว่างสวายจริงๆเลอัศจรจรย์รท่านได้มาด้วยความยากลำบากเอามาสอนอย่างยากลำบากการแสดงธรรมะการประกาศธรรมะเนี่ยเหมือนฝ่าคมหอกคมดาบนะฝ่าคมหอกคมดาบแท้ๆเลยถ้าสมัยพุทธกาลก็ฝ่าคมหอกคมดาบมานะ มาถึงยุคนี้ประกาศธรรมะก็ฝากาคมหอกคมดาบตลอดเวลาเลยนะผู้เจ้เจ้าก็ต้องสู้ใช่ไหมสารพัดเลยใช่สู้กับมิจฉาทิฐินาน า, นานชนิดเลยสำนักนั้นสำนักนี้อะไรเงี้ยบางคนก็วางแผนร้ายจะฆ่าท่านก็มีจ้างผู้หญิงมาทำเป็นท้องกับท่านก็มีมีเลขห์กลอุบายมากมายเหลือเกินที่จะทำลาย กว่าท่านจะประดิสฐานาศาสนาได้แนละ้วก็ยากลําบากมากเลยนะกว่าท่านจะได้ธรรมะมาก็ยากมากแล้วกว่าจะประกาศธรรมะให้ดํารงอยู่นี่ก็ยากมากอีกนะพวกเราได้ผลประโยชน์จากพระพุทธเจ้าเราได้เรียนธรรมะอย่างง่ายๆเราประหยัดเวลาไป20่สอสงไขยแสนมาหากรัปแล้วนะเราประหยัดเวลาได้ขนาดนั้นนะถ้าเราฟังธรรมะเข้าใจที่ท่านสอนเราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราประหยัดเวลามากกว่าท่านมากเลย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 แต่เดิไม่เคยเห็นเราเห็นนะก็ค่อยๆพัฒนาไปเห็นกิเลสเห็นอะไที่ซ่อนอยู่ในตัวเองนี่เราค่อยๆพัฒนานะใจเราก็ค่อยสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นเราก็จะเกิดความมั่นใจว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอัศจ ร, ร, ร, จริงพระพุทธเจ้าเป็นของอัศจ ร, ร, รธรรมะของท่านอัศจรยร์พระสงค์ที่ปฏิบัติตามก็อัศจรยนะ์ทําไมเหมือนวัวเหมือนไายนะเรียนธรรมะของท่านแล้วก็ผ่องใสขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย นี่เราจะเคารพแน่นแฟนในพระรัตนตรัยมากเลยนะเหนียวแน่นมากเลยเนียวแน่นเพราะเราเห็นความจริงแล้วว่าพระพูดพระธรรมพระสงฆ์นัเป็นของจริงของแท้เห็นด้วยตัวของเราเองนี่แหลนะไม่ใช่เชื่อเอาน้อมใจเชื่อเอานะงั้นเรามีหน้าที่เรียนให้รู้เรื่องว่าท่านสอนอะไรการปฏิบัตินั้นทําอย่างไรการปฏิบัติในขั้นของการมีศีลทําอย่างไร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 ลูกเล็กเด็กแดงเขาฟังเขาก็ภาวนาเป็นนะเยอะแยะไปหมดแล้วตอนนี้คนภาวนาเป็ น, นเยอะแยะไปหมดละแล้วคนรักพระพุทธเจ้าเยอะขึ้นนะยุค ข, ของเราเนี่ยเรารู้เลยว่าท่านมีจริงๆไม่ใช่นักปรารถนาคำว่านักปรารถนะต่ําต้อยเกินไปแต่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าเหนือกว่าคําว่านักปรารถนมากเลยไม่ใช่คิดเอาท่านสอนสิ่งซึ่งเราลงมือทําแล้วเราพ้นทุกข์ได้จริงเห็นต่อหน้าต่อตาได้จริงเลย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 ดูเวทนาดูจิตดูธรรมไปดูกายก็มีจิตเป็นคนดูดูเวทนาก็มีจิตเป็นคนดูอย่างน้อยต้องแยกสองตัวแยกขันต์ออกไปเป็นสองอันอย่างน้อยนะต่อไปก็จะแยกได้ห้าขันต์เห็นในแต่ละขันต์ไม่ใช่ตัวเรามันจะแยกได้เองนะค่อยๆฝึกค่อยๆพัฒนาไปสุดท้ายจะรู้เลยในขันต์ห้าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเรานอกเหนือจากขันต์ห้าด้วยที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีตัวเร า, เ ม, ม, เรามีแต่สภาวะธรรมที่เกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปทั้งสิ้นเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้นะเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรม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 สอนที่ไรมาจบลงตรงหมดกิเลส ท, ทุกทีเลยเนะเราพูเ ด, ดินใจสอนเราพูเ ด, ดินให้ใจปลาลบบอกว่าการแสดงธรรมนึกแปลกนะอยู่ๆพูดเรื่องการแสดงธรรมต้องให้ได้ทั้งอัฏถแล้วก็รสชาติของปริยัติปฏิบัติปฏิเวทให้ครบนะท่านสอนใหญ่นี้แปลก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 เป็นสมัคบา้านครั้งแรกครับก็ฟังซีดีมานะครับเข้าใจว่าตัวเองดูไกลดูฉิดได้แล้วอแต่ช่วงช่วงหลังๆมานี้ก็สื่ว่ามีอัตราตัวตนค่อนข้างเยอะที<ช> น, นี้อยากจะทราบว่าปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าแล้วต้องแก้ไขอะไรบ้างนะฮะใช่ถ้าเห็นกิเลสได้นะก็เก่งมากแล้วนะกิเลสเนี่ยเยอะแยะเลยโดยเฉพาะเราเห็นอัตราตัวตนได้เนะี่ยเก่ง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 เอออย่างนั้นใช้ได้พอจิตมันตั้งมั่นนะเห็นเลยกายมันไม่ใช่ตัวเรานะออจิตไม่ใช่ตัวเรานี่แหละอย่างนั้นถูกนะดีไปทำอีกอ ค, ครับนมาส ก, การหลวงพ่อค่ ะ, ะได้เริ่มปฏิบัติในในแนวทางของหลวงปู่ ด, ดูลมาระยะหนึ่งพระอาจารย์ก็มรณภาพก็เลยเหมือนดับถ่าที่พึ่งก็ได้ฟังซีดีของหลวง<อ>พ่อ<า>ตอนหลวงปู่ ด, ดูล น, นะค่ะเออ แต่ว่าก็ได้ในระยะสั้นๆเท่านั้นเองอค่ ะ, ะปัจจุบันนี้เวลาเวลาฝึกเนี่ยจะตามอารมณ์ได้ดีขึ้นบ้างแต่ว่าไม่สามารถระ ง, งับอารมณ์ได้ในหล า, ายรั้งนะให้รู้นะไม่ใช่ให้ระงับให้รู้อย่างที่เขาเป็นแล้วหลวงปู่สอนอะไรให้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 เราสั่งไม่ได้เราไม่เข้าไปแทรกแสงนะเพราะเราจะไม่แทรกแสงตามมองเห็นรูปตาไม่เคยแทรกแสงรูปจิตไปเห็นจิตจิตอย่าไปแทรกแสงจิตนะให้รู้อย่างที่เป็นใจยังคิดแทรกแสงอยู่นะคิดว่าเออให้รู้ทันตัวนี้แหละใจไม่เป็นกลางเพราะงั้นให้รู้สภาวะทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่จิตแต่ถ้ารู้แล้วเกิดยินดีให้รู้ทันเกิดยินร้ายให้รู้ทันด้วยไปแล้วทุกวันต้องซ้อม นะพุโทโธหายใจอะไรแล้วจิตไหลไปเขรู้ทันจะได้ตัวผู้รู้ที่เข้มแข็งพอดีก็เพื่อนได้ชวนไปเข้าคอร์สพิปสัสยันก็อย่าเอ่ยชื่อน ะ, ะอท่านอาจารย์ก็ได้สอนว่าให้หัดบริกรรมแล้วก็ อ, อาจารย์ก็ได้ถามว่าส่วนตัวปฏิบัติอย่างไรก็ได้เรียนท่านว่าได้ตามตัวผู้รู้ซึ่งท่านก็บอกว่าสิ่งที่ทําอยู่คือการที่พยานยรู้ผู้รู้เนี่ย ไม่ได้อยู่ในพระตรัยปยดกขอให้หยุดทามและให้มา่รู้จักาะก็ก็รู้สึกสับสนนะคะคือพยายามกลับมาบริการมแต่รู้สึกว่าก็สมควรที่สับสนนะเรียนหลายที่ก็ต้องสับสนเลยก็เลยไม่รู้ว่าอต้องต่ออย่างไงนะคะอาจารย์ต่อนะก็คือดูถ้าเราเห็นตัวผู้รู้นะตัวผู้รู้คืออะไรคือจิตนั่นเองนะ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 กรณีเป็นทั้งคนคิดมากแล้วก็รักสบายต้องทำยังไงล่ะของ <ละ S 2> คนเี่คิดมากอย่างรุนแรงไปดูจิตไหมให้ดูจิตเป็นหลัก น, นะจ๊ะดูจิตไห า, า, า, าต่อไปหลวงพ่อพบอย่างหนึ่งนะหลวงพ่ ด, ดุลเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ที่อาศจ ร, ร, รมากมากเลยครูบาอาจารย์ที่แปลกประหลาดมากๆเลยท่านไม่พูดเยอะอย่างถ้าเราไปถามกรรมฐานเนี่ยท่านไม่ตอบง่ายๆนะท่านจะนิ่งไปนานบางทีทั้งชั่วโมงนะ แล้วพูดออกมาประโยคสองประโยคถ้าเราทําตามนั้นเราจเจริญเลยถ้าเราไม่ทําตามนั้นทําไงก็ไปไม่รอดเลยนะนั้นของคุณนะถ้าหลวงปู่เคยสอนบอกใหม้มีผู้รู้นะก็ให mm ้ hmm. ฝึกให้มีผู้รู้ขึ้นมาแต่อย่าคิดว่าตัวผู้รู้เนี่ยจะเป็นทางทําให้หลุดพ้นนะตัวผู้รู้เป็นแค่เครื่องมือสําหรับการเจริญปัญญาเท่านั้นเองทําไมจะไม่มีในพระไตรปิฎกจิต ท, ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือจิต ท, ที่ทรงสมาธิที่ชื่อลักคนูปนิชฌานนั่นแหละนะ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 อ้าต่อไปคือเพื่อเจยังไม่หมดค่ะฮะมีกี่ข้อข้อให้ถามได้กี่ข้อข้อเดียวค่ะแต่ว่ายังถามไม่หมดค่ะอ้าวเหลือนี่ข้อเดียวนะมีข้อย่อยอ้าหนูมีข้อย่อยเท่าไหร่อ่าข้อหนึ่งย่อยอันนี้สุดท้ายแล้วค่ะเออเอามาข้อหนึ่งย่อยก็คืออย่างถ้าถ้าสมาธิเราไม่พอแล้วแบบจิตเราไม่มีกําลังอค่ะเราเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้มันไม่พอแล้วต้องทําเพิ่ม่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 หลวงพ่อที่เขาบอกว่าที่เขาบอกว่าจิตเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเราไม่สามารถดูมันได้นี่ก็คือเขาก็พูดถูกแล้วใช่ไหมคะถูกจิตไม่มีรูปร่างนะแต่เราอาศัยสิ่งที่เรียกว่าจิตตสังขารนน่ยคือสังขารของจิตก็คือความความปรุงแต่งของจิตนั่นแหละทําให้เรารู้ทันจิตนะสิ่งเหล่านี้อยู่ในจิตตานุปัสสนานะมีนะไม่ใช่ไม่มีแล้วอยู่ในคัมภีร์อยู่ในอริธรรมมีทั้งนั้นเลยสิ่งเหล่าเนี้ยการดูจิตก็คือ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 แล้วก็แล้วไอ้ตอนเย็นน่ะหนูก็สวนมนตนั่งสมาธิแค่นี้มันพอไหมคะต้องเพิ่มเติมอะไรไหมคะทำได้ทุกวันไหมถ้าพยายามม่รู้สึกนะทำให้สม่าเสมอน ะ, ะสิ่งที่ขาดอาจจะเป็นความสม่าเสมอนะแบ่งเวลาไว้เลยถึงเวลาเราพอหนังเรานะมันขาดกําลังอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ไม่มีแรงหรอค่ะใ ช, นะะใช่มันมาถูกทางหรอกนะแต่มันไม่มีแรง เห็นเป่าว่ากายกับใจเป็นโคล่าเห็นค่ะเห็นไหมสุขทุกข์กับจิตเข้าโคล่าเห็นค่ะนั่นเห็นหมดแล้วล่ะแต่มันไม่มีแรงอ๋อค่ะแรงน้อยไปเพราะว่ามันเป็นอยู่นานเหมือนกันนะคะหนูก็สงสัยก็รู้ทันนะว่าจิตยังออกนอกอยู่ค่ะนั่นจิตยังเคลื่อนไปจิตไม่ไม่ถึงฐานจิตไม่ตั้งมั่แล้วก็มาพุทโธพุทโธนะจิตเคลื่อนแล้วเรารู้จิตจะตั้งขึ้นมาเราทําแค่นี้แต่ทําสม่ําเสมอได้ใช่ไหมได้ในรูปแบบเมื่อทำนะ ทำทุกวันนะค ะ, คะขอบคุณคับก่อนุญาตส่งกันบ้านครับแปลกเจอหลวงพ่อแล้วใจเต้นหนักกว่าเดิมือเ <laughs> จอลุงพ่อแล้วใจเต้นหนักกว่าเดิมครับก็ดีแล้ว <c oughs> ออกซิไลส์ครับอผมปฏิบัติมาจะรู้สึกว่าผิดตลอดเวลาถูกแล้วครับมันก็แต่เห็นว่าก้าวหน้าตรงที่ตรงเห็นผิดเรื่อยๆนั่นแหละถื่แล้ว ถ้าปฏิบัติแล้วถูกตลอดเวลานะยังไม่พัฒนาเลยทีนี้ลืมเนี่ยสัญญาไม่เที่ยงขับก็แค่เห็นอตอนนี้อยู่กับรู้แล้วก็หลงตลอดทั้งวันแล้วก็ ม, มีเวลาเก็บรูปแบบเป็นเป็นบางช่วงนะครับอตอนนี้จิต อ, อยู่กับปัจจุบันหรือ ย, ยังครับจิตเข้าฐานไหมล่ะ ก็เข้าครับขณะนี้เข้าไหมตอนนี้ไม่เข้าครับไม่เข้ า, าถูกถ้าไม่เข้าก็ไม่อยู่กับปัจจุบันทีนี่ต้องตั้งมั่น<ร>อยู่กับปัจจุบันได้จริงรตั้งใจว่าจะไปเก็บอุกรศลต้นปีไม่ไม่ทราบตอนนี้พอมีแรงพอหรือยังครับต้องอะไรนะจะเข้าไปเก็บกรรมฐานครับเมื่อปลายปีหน้านี้ครับไม่ทราบตอนนี้จิตมีแรงพอหรือยังครับไปเก็บยังไงอะ ก็เป็นการเดินจงกรมแล้วก็เป็นอุกฤตนะครับเดินจงกรมยี่สิบชั่วโมงครับอเหรอครับเออทนดี <laughs> <laughs> ทำได้ก็ไปทำนะหลวงพ่มไม่เคยเดินจงกรมถึงยี่สิบชั่วโมงเลยไม่เคยอยู่ในอิริยาบถใดถึงยี่สิบชั่วโมงเลย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 ไม่เข็ดนะ่ะทุกไม่พอแล้วทุกให้เข็ดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นเลยถ้ามันเห็นทุกข์อย่างจริงๆนะั้นมันโยนทิ้งเลยนะมันไม่เอาแล้วอย่างมันเกิดปิ๊งขึ้นมาสมมตินะไม่ใช่จานะหมายถึงอย่างสามีนอกใจเนงะี้ยเห็นแล้วมันทุกข์นะั้นมันตัดสามีออกจากใจเลยจะไปอยู่ที่ไหนช่างแก่เหอะถึงเดือนใจเงินเดือนมาก็แล้วกัน <laughs> อย่างนีนะ้ทุกข์มันก็น้อย งั้นสิ่งที่ทำได้คือก็โูนไปอย่างนี้ใช่ไหมคะรู้ไปไม่มีทางถอยหรอกนะต่อไปเดี๋ยวไม่ทันนักการุค่ะคือขนาดนี้ก็พยายามที่จะรู้เจ้าค่ะแต่ว่าความทุกข์เนี่ยก็จะเข้ามาเหมือนกับมีบาดฝุห่หักก็คือข้างๆตัวนะตลอดเวลาตอนนี้ก็คือาภาวนาแบบ ใช้บริกรรมเป็ น, น, นอิติพิโสยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าผู้โท ร, รู้สึกว่ามันสร้นได้ได้ดค่ะแต่ว่าก็ขนาดเนี้ยก็คือมีบัดที่ตัวเองเนี่ยจะต้องพยายามอดทนก็คือลูปเนี่ยพยายามมาเมันก็ะแย่ตลอดเวลาแล้วก็โทสะเนียก็จะมาอยู่เรื่อยแล้วก็จะเห็นว่าตัวเองเนียเริ่ม เ, เป็นคนปากร้ายเลยก็เห็น กิเลส ข, ของตัวเองเนี่ยค่ะเยอะแต่ก็ไหลไปอยู่กับมันทุกทีก็เอาชนะมันไม่ได้ตั้งใจไวก่อนสียทุกวันนะตืน่นขึ้นมาก็ตั้งใจว่าจะรักษาศีลห้าไม่ล้นไปทางปากหรอกนะกลางวันก็ตั้งใจรักษาศีลห้านะก่อนจะกินข้าวนี่แหละกลางวันตั้งใจรักษาศีลหก่อนจะกินข้ า, าวเย็นก็ตั้งใจอีกแล้วนะก่อนจะนอนก็ตั้งใจอีกวันนึงตั้งใจอ ย, อย่างนี้หลายๆทีคือการเตือนตัวเองนะ ทำไมต้องตั้งใจไว้ก่อนกินข้าวหลวงพ่อเคยเจอบางคนตอนกินข้าวสำลักข้าวตายเออย่างน้อยก่อนตายให้มันมีศีลก่อนนะมีแม่ครัววัดแห่งหนึ่งรู้จักกันนะไปแล้วแกทํำข้าวให้กินเรื่อยวันหนึ่งเขาบอกตายแล้วเป็นไรตายกินข้าวตายกินข้าวแล้วก็ไอสำลักข้าวเขาไปตายเลยแค่นี้ก็ตายแล้วดังั้นเราตั้งใจรักษาศีลเนืองๆ น, นะนั้นเราอยู่กับศีลเรื่อยๆใจเราก็มีความสุข แค่คิดถึงว่าชีวิตเรามีศีนัสมาธิก็เกิดละใจก็สงบลนะพอใจเราสงบเราก็ดูกายดูใจต่อไปกับปัญญาก็เกิดแล้วก็คืออยากจะลองอาทาสมาธิอย่างที่หายใจเข้าไปแล้วไปกําหนดอยู่ที่ตรงท้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะ บ, บ้างจะได้ไหมเจ้าคะหรือว่าไม่ต้องไปทาแล้วแต่ถนัดนะแล้วแต่ถนัดหลวงพ่อตอนก่อนฝึกอนาคนานสตินะ หลวงพ่อไม่ได้ตั้งฐานหลวงพ่อแค่รู้ลมหายใจแต่เบื้องตอนน้นลมมันจะยาวมันจะลึกลงไปนะแต่มาพอจิตเริ่มสงบเนี่ยลมค่อยละเอียดละเอียดขึ้นลมจะตื้นขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเราไปตรึงอยู่ที่ท้องไมันิดเพ่งอยู่ที่ท้องหลวงพ่อแค่รู้สึกถึงลมเท่านะั้นมันจะตรงกับที่พระเจ้าสอนดูก ร, ราภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้หายใจออกยาว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 แต่ว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดฉันทะผมว่ามันบังคับไม่ได้อคะครับบังคับไม่ได้ต้องน้อมใจเอานะสังเกตเอาบางทีก็ต้องอาศัยศรัท ธ, ธามาช่วยอะไรย่างเงี้ยนะโอ้พระพุทธเจ้าอุตสาหสอนมาลําบากนะเราทนเราหน่อยทําเอาหน่อยอะไรย่างเงี้ยนะค่อยๆฝึก ต, ต, ต่อไปพอเริ่มเห็นผลนะมันจะมีฉันทะขึ้นมาคือในด้านธรรมะผมมีอยู่แล้วครแต่ว่าในเรื่องของทางราทีการงานคือโอ้ต้องคิดว่าเราจะต้องไม่โกงคนอื่นเ หน้าที่การงานเนี่ยอย่างเขาจ้างเราทํางานเราต้องทำนะทาตามหน้าที่ไม่งั้นศีลเราดังพร้อยนะอย่างเอาเวลางานไปช็อปปิ้งเนะี่ยสีลดังพร้อยแล้วนะ mm hmm. เขาเขาจ้างเราทํางานเขาจ่ายเต็มเขาไม่ได้หักเวลาช็อปปิ้งอะไรเงี้ยนะถ้าเราไปคิดระวังเรื่องศีลของเราตั้งอกตั้งใจทํางานไปนะถ้ามีโอกาสเลือกงานที่มีความสุขเรื่องงานที่ชอบ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 ตามที่ได้ฟังหลวงพ่อมาตอนช่วงแรกนะคะที่หลวงพ่อกล่าวถึงเรื่องของการพัฒนานะคะก็พอได้ตรวจสอบดูว่าเรามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดนะคะผ่านมาในระยะเวลาหนึ่งเนี่ยมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นแต่พอเมื่อเจอกับปัญหากับทุกข์นะคะ เราก็ยังหลงวนเวียนอยู่ในกับปัญหาเหล่านั้นธรรมดา น, นะเพราะว่าเรายังไม่ถึงขั้นละกิเลสได้เด็ดขาดนะปัญหาอ่อนๆเราก็สู้ไหวปัญหาแรงมากๆก็ยังแพ้บ้างแต่วันนี้แพ้ไม่เป็นไรนะค่อยฝึกไปวันนึงก็สู้จนได้แหละปัญหาอย่างมากก็แค่ตายตไ ม, ไม่มากกว่านั้นหรอกปัญหาทั้งหลายในโลกนะสมมติว่าถ้าเราเข้าใจตัวนี้นะก็สู้เอา ภานาไปเรื่อยวันนี้ล้มลุกลุกลานไม่เป็นไรรู้หรือเปล่าว่าครูบาอาจารย์แต่ละองค์อนะกว่าที่ท่านจะพ้นทุกข์พ้นร้อนท่านล้มลุกลุกลานมาแล้วนะไม่ใช่อยู่ๆก็สบายวิเศษวิโสมาหรอกก็เหมือนคนอย่างพวกเราเนี่ยเหมือนอย่างเรานี่แหละทุกบ้างสุขบ้างล้มได้ล้มก็ได้นะภาวนาล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อต้องสู้นะชีวิตเป็นอย่างนี้แหละค่ะ คองคุณไม่เสียหลายหรอกเห็นไหมว่าขันมันแยกได้เห็นบ้างไหมค่ะเห็นหรือเปล่าว่าความทุกข์ตามหลังความคิดมาใช่ค่ะเออเห็นหรือเปล่าว่าความทุกข์มันไม่ใช่อยู่ประจำกับจิตเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเห็นไหมว่าทุกอย่างในชีวิตเราผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนี่ยดูอย่างนี้ไปเรื่อยนะความทุกข์นี้วันหนึ่งก็ต้องไปความทุกข์ไม่อยู่ตลอดหรอก แต่มันก็จะมีอันใหม่เวียนกับเวียนแน่นอนนะแน่นอนถ้าปัญญาแก่รอบนะ <c oughs> จะเห็นอย่างนั้นนะสาโลกธาตุเนี่ยไม่มีที่หยั่งเท้าแล้วมีความสุขเลยถ้าเห็นได้อย่างนั้นนะจิตถึงจะสลัดตัวออกจากโลกได้นะแต่มันทุกข์มากเลยนะคะใช่ต้องทุ ก, ไ ม, กไม่เห็นทุกไม่เห็นทำนะ <c oughs> แม่ได้ยินว่าอะไรก็ทุกหลวงพ่อคึอกคักเลย <c oughs> มันต้องอย่างนั้นสิถ้าไปที่ไหนอยู่ตัวนี้ก็สุขอยู่นี้ก็สุคมันจะไปรอดเหรอ ขอบุณค่ะเดี๋ยวตรวจทนะุกนะนะกนรรบนิมมัชการหลวงพ่อคะ่ะเคยรายงานผลเมื่อสี่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ได้แนวทางปฏิบัติจากหลวงพอ่อตั้งใจว่าจะไม่รายงานผลอีกถ้าการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าแล้วเท่าที่ผ่านมาก็เห็นว่าหยุดอยู่ก็ไม่ใช่ถอยหลังก็ไม่ใช่เดินหน้าก็ไม่ใช่แต่เมื่อมาสารวจแล้วพบว่ากีเลสเบาบางลง ความสุขมากขึ้นก็คิดว่าปฏิบัติดีขึ้นดีดแล้วก็ตอนนี้คลายความยึดมั่นในกายแต่ว่ายังเห็นกายมีความงามอยู่ยังเห็นความสวยงามอยู่ไม่เป็นไรให้มันงามไปก่อน <c oughs> อีกหลายๆลายปีก็เห็นเองแหละ <c oughs> ที่คุณภาวนานดีนะของคุณเปลี่ยนแปลงได้แล้วละ่ะดีแล้วละ่ะ ต่อไปก็ภาวนาไปเรื่อยล้วก็รู้เลยว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระนะโลกนี้มีของไม่มีสาระเยอะเลยนะะเรายุ่งกับมันไปอย่างนั้นเนี่ยเราอยู่กับมันรู้จักมันนะแต่ไม่ติดกับมันหรอกเขาเห็นเห็นไส้เห็นภูมันนะไม่มีอะไรหรอกไม่มีสาระทนะั้งนั้นแต่อยู่ไปในสุดใจอยู่กับโลกแต่ใจไม่กระทบกระเทือนเพราะโลกไปคเห็นทุกภัยในวัฏฏะสงสารเห็นแล้วเราเป็นาธาตุของโล ก, กธรรมเออนะ แต่มันเห็นบ้างไม่เห็นบ้างบางทีก็เป็นทาตบางทีก็ชอบอะไหนะใ จ, ใจมันยังคลิกได้เพ <la> ราะมันยังเป็นโลกียะยังคลิกได้อก็ไม่ก็ไม่ต้องร้องไห้เพราะว่าหาทางกลับบ้านไม่ถูกแล้วสาธุาธลูกมีพ่อมีแม่นะไม่ใช่ลูกไร้พ่อไร้แม่หรอกกลับน้ำมัสกการหลวงพ่อค่ะยังไม่เคยส่งกันบ้านเลยนะคะเพิ่งส่งเป็นครั้งแรกนะคะ ตองครั้งแรกก็ดีแล้วล่ะเคยฟังซีดีของลุงพ่อนะคะแล้วก็ตอนนี้ว่าเดี๋ยวนี้กระตกร่อนเหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะเหมือนดีขึ้นค่ะจิตเราเปลี่ยนค่ะแล้วก็ปฏิบัติภาวนาแบบว่าดูกายพอดูกายในระหว่างวันแล้วเวลาเราอยู่เฉยๆก็ จะดูลมลมหายใจเข้าออกได้แต่เวลาเวลาหลุดไปคิดปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้แล้วเราก็จะกลับมาที่กายเรื่องนั้นถูกแล้วเห็นแม้ว่ากายเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าใช่ค่ะกายนี่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยพวกที่จะดูกายนะต้องมีจิตเป็นผู้รู้นะมันถึงจะเห็นได้ว่ากายไม่ใช่เรานะไม่งั้นก็นั่งคิดเอาไม่มีจิตผู้รู้มีแต่ผู้คิดเอ้คิดร่างกายไม่ใช่ตัวเราพูดเปล่าๆไปงั้นแต่ว่าพอจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้เนี่ยกายไม่ใช่เราแล้วรู้สึกไหมกายเป็นโฟืง ใช่ค่ะเป็นโปร่งเนอแะกายนี่เป็นครูหาให้จิตอาศัยอยู่บางครั้งก็แต่นานมากเลยนะคะจะเห็นเหมือนกับว่าจิตเกิดดับเร็วมากเป็นครั้งแบบแรกๆที่เคยเห็นว่ามันเกิดแล้วมันดับจริงๆอย่าอยากดูนะคเคยเคยเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเห็นมันอีกแต่ก็ไม่เคยเห็นอีกเลยไม่เห็นอีกเลยถ้าจะไม่เคยเห็นอีกเลยต้องไม่อยากถึงจะเห็นค่ะแล้วก็ปัญหาในบางครั้งก็คือว่า บางครั้งดูกายมากๆเนี่ยเหมือนเราไปเพ่งแล้วไปจี้ตามตามตัวนะคะหลวงพ่อนั่นไม่ถูกแล้วอย่างนี้เราก็คือเปลี่ยนปีเรียบทไปทําอย่างอื่นใช่ไหมคะได้ได้คือถ้าจิตถลําลงไปในกายนะมันคือการเพ่งกายไม่มีวิปัสสนาหรอกค่ะนะเนี่ตัวนี้ถึงสําคัญใช่ไหมพอเรียนจากหลวงพ่อเรียนเรื่องจิตได้เรามีจิตเป็นผู้รู้ได้ถ้าเราเห็นกายไม่ใช่เราเลยแล้วจิตถลําไปเพ่งกายรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันอย่างนี้มันถึงจะเดินต่อได้นะ ก็คือเราต้องรู้ให้ทันใช่ไหมคะแต่ว่าที่ผ่านมาบางครั้งเหมือนกับไปิี้จนบางครั้งเราปรว ด, ดปวดเนื้อปวดตัวเลยก็มีเนี่ยนั้นโลภมากค่ะน<ฆ>ั่นไปเพ่งกายนะคนเพ่งเฉพาะพิการเลยนะมีน้าพวกที่นั่งภาวนาหรือปฏิบัติธรรมจนหลังเดี่ยงคอเดี่ยงพิการไปเลยนะเพ่งมากไปกล้ามเนื้ออักเสบอย่าไปเพ่งใส่มันนะจิตมีพลังนะพอไปเพ่งร่างกายมากๆร่างกายเดี่ยงเลย แล้วตอนนี้จิตยมตั้งมั่นไหมคะหลวงพ่อจิตอยู่กับหลวงพ่อหรือเปล่าล่ะตอนนี้อยู่กับกายค่ะจิตอยู่กับกายก็เรียกจิตไม่ตั้งมั่นไม่ตั้งเหรอคะแล้วจิตอยู่กับกายเนี่ยจิตจะไปตั้งได้ไงจิตแยกกับกายสิจิตถึงจะตั้งมั่นแล้วเราถึงฐานไหมคะถ้าจิตไปอยู่กับกายจิตก็ไม่ถึงฐานสิถึงฐานเอีกแต่เราก็รู้สึกานรู้เนื้อได้ตัรู้ได้แต่จิตไม่ถึงฐานไง แต่ถ้าจิตถึงฐานแล้วกายก็อยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตนะถ้าจิตไม่ถึงฐานไปดูกายเนี่ยจิตจะไหลไปอยู่ที่กายนะจิตต้องไม่ไปไหลไปรวมเข้ากับกายนะขอกันบ้านด้วยละค่ะหลวงพ่อไปฝึกอีกฝึกสมาธิให้ดีให้ใจตั้งมั่นเป็นคนดู <c oughs> เห็นร่างกายเส้นไหวเห็นร่างกายพยักหน้าเนี่ยใจไม่ไหลเข้าไปที่ร่างกายต้องอย่างนี้นะแล้วมันถึงจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันจะรู้สึกเลยนะ เป็นความรู้สึกอย่างการเห็นจิตเกิดดับมันก็รู้สึกเอารู้สึกไหมแล้วพอไปเห็นเข้าทีหนึงนะมันรู้เลยว่าจริงๆนี้จิตเกิดดับจิตไม่ได้เที่ยงหรอกนีต่ต้องเห็นเองนะแล้วมันซาบซึง้งถึ ง, ถ ง, ถ ง, ถ ง, ถงอกถึงใจเลยมันถึงล้างกิเลสได้ของโยมมีต้องนั่งสมาธิเพิ่มขึ้นไหมคะนั่งได้นะแต่อย่าให้ขาดสติสมาธิที่ทํากันส่วนใหญ่เป็นสมาธิที่สติไม่มีอ่อนไป เพราะว่าของโยมจะนั่งเป็นเป็นปฏิบัติทุกวันคือประมาณวันละสิบห้านาทีก่อนนอนนะคะจะนั่งแปลกนะต้องต้องเพิ่มอะไรมากขึ้นไหมคะเพิ่มไหมไหมเพิ่มเพิ่มตอนเช้าเพิ่มรอบเช้าไม่ใช่เพิ่มรอบดึกให้ยาวขึ้นก็คือเราสามารถนั่งรู้สมาธิได้หลายหลายครั้งก็ได้ในต่อวันหลวงพ่อทำวันหนึ่งหลายรอบนะแ ต, แต่เป็นโยม อ, ะอ่ะกลางวันกินข้าวแล้วก็ภาวนานะตื่นเช้าขึ้นมาก็ภาวนาปฏิบัติ ไปทำงานกลางวันกินข้าวเดินจงกรมไปกินข้าวนะก็ปฏิบัตินะกินเสร็จแล้วก็เดินบ้างนั่ ง, บ, ง บ, บ, บ้างก็ปฏิบัติกลับมาบ้านก็ปฏิบัติอีกทําในรูปแบบนั่นแหละขอบพระคุณค่ะคือไม่อยากแนะนําให้ขยายเวลาให้ยาวขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะไว้เลือกทําตอนค่าเดี๋ยวแล้วก็หลับไปนั่งแล้วหลับไม่มีประโยชน์อะไรคอเครียดเปล่าๆเลิก ปฏิบัติให้หลายหลดเนเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยมีเวลาแล้วทำมีเวลาแล้วทำนะแล้วตอนค่ำมาพนานาเนี่ยจะ ง, ง่ายแล้วตอนค่าเนี่ยมันจะขยายเวลาของมันเองนะถ้ากลางวันเรามีพลังแล้วเนี่ยครับเราก็ได้ฟังทำกันแล้วก็ถามตอกันครบตามเวลาแล้วนะครับวันนี้มีพิเศษหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันใกล้เข้าพรรษานะครับเราก็จะมีการกล่าว ข, ขอขามากันนะครับ ขอให้ทุกท่านน้อมใจตามคำกล่าวของผมนะครับเนื่องในโอกาสวันใกล้เข้าพรรษาข้าพเจ้าทั้งหลายขอถือโอกาสนี้กราบขอขมาพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์ทั้งหลายและรวมถึงพระอาจารย์ประโมทประโมทโชว์หากข้าพเจ้าได้เคยประมาทาพราคพั้งร่วงเกินสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งทางกายวา จ, าจาใจไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ขอพระรัตนตรยัยขอคุบาอาจารย์ทั้งหลายและพระอาจารย์ประโมทประโมทโชได้โปรดเมตตารับการขอขมากรรมจากพวกขพเจ้าทั้งหลายและได้โปรดงดโทษนับตั้งแต่บัดนี้จราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเินอหังขมามิ เอวังโหตัเอวังโหตัโยจะปุเพปมัจฉิตวาปัชชาโซนปมัจฉติโซมังโลกังประพาเสติอภามุตโตวจันฉิมายัสสาปาปังกตังกัมังกุสเลนะปะเยติโซมังโลกังประพาเสติอภามุตโตวจันฉิมาอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขขังภะลัง เรื่องประมาทพระราชนตรัยนะบางทีมห้ามไม่ได้พระพุทธเจ้าเราเนี่ยตอนเป็นพระโพธิสัตว์นั้นก็เคยประมาทพระพุทธเจ้าอื่นๆนะแต่ว่าพอท่านรู้สึกท่านก็ขอพขมาขอพขมาเป็นการเปิดเผยคนที่ทําผิดแล้วกล้าเปิดเผยนียพระพุทธเจ้ายกย่องนะถือว่าเป็นความเจริญงอกงามในอริยวินัยของท่านนี้ ในการที่เราขอขมานะก็เป็นความงามของพวกเรานะความดีความงามของพวกเราส่วนที่ใจมันประมาทลาดพล้งนั้นมันห้ามไม่ได้ก็ใจเรามีกิเลสยังไงมันก็ต้องอดไม่ได้หรอกหลวงพ่อก็เป็นบางทีเมื่อก่อนก็เคยโมโหโหลวงปู่เทศทีหนึ่งนะสงสารท่านะคนมานั่งถามท่านเรื่องไรสาระโมโหท่านว่าปิดตอบมันทําไมเนี่ยไปร่วงเกินท่านละนะตอนหลังก็ต้องขอขมาท่านท่านก็ยิ้มไม่ว่าอะไรนะ เรื่องธรรมดาแล้วก็โดยธรรมเนียมเราก็จะกล่าวคําถวายทานว่าผมเป็นตัวแทนนะครับที่ท่านนํามาถวายาร่วมกันไว้นะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยเท雅ธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทประโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัว ปราบสิ้นกาละนานเถรยถาวาดิวาฮาปุราปริปุเรนตีสาคารังเอวาเมวาอิโตทินนางเปตานางุปกปติอิชิตังพันชิตังทุมหังจิปะเมวาสมิจฉุตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโธปนรโสยถ า, ามณิโชติรโสยัตถะสัพพีตีโยวิวัตชันตุสัพพโรคโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภาวะอาภิวาธนาสีลิสนิจจังอุธาปจจายิโนจัตตาโรธรมาวันตีอายุวันโนสุขังพลัง